15. ปริยัตปฏิบัติปฏิเวทวงเล็บเปิดสิกรกฎาคม2551เในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเรามีหน้าที่รักษาสืบท่อศาสนาเอาไว้ทั้งปริยัตและปฏิบัติเพราะปริยัตนี่แหละเป็นกรอบให้เรารู้แนวทางปฏิบัติการเรียนปริยัตอย่างที่เราชาวไฟฟ้ามาเรียนที่หลวงพ่อตอนนี้เรียกว่าเรียนปริยัตมาฟังทำเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติการปฏิบัตินั้นต้องเรียนรู้ด้วยตนเองไปคอยรู้กายไปคอยรู้ใจ แล้วถึงจะมีปฏิเวทปฏิเวทคือรู้แจ้งขึ้นมารู้ด้วยตัวเองปริยัตินี่จะเรียนให้รู้วิธีที่จะรู้กายรู้ใจปฏิบัติคือการลงมือรู้กายรู้ใจปฏิเวทก็คือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งจนปล่อยวางการยึดถือกายยึดถือใจมีแต่เรื่องกายกับใจทั้งนั้นเลยฉะนั้นเราก็คอยรู้สึกเอานะอุตสาหมาเรียน5วัน4ี่คืนใช่ไหมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสียเงินมาให้เราตั้งเยอะแน่ เรียนเรียนไปต้องได้อะไรติดตัวไปบ้างไปตอบแทนบุญคุณขององค์กรองค์กรเขาลงทุนให้เราเรียนเราก็ศึกษาธรรมะให้ดีเพราะเราจะเป็นพนักงานที่ดีเพราะเราจะไม่เห็นแก่ตัวถ้าเราภาวานาแล้วความเห็นแก่ตัวมันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเราจะทำอะไรเพื่อส่วนรวมได้เยอะขึ้นส่วนตัวของเราตัวของเราได้ประโยชน์อยู่แล้ว ท, ทันทีที่เราลงมือจเจริญสติเราก็เริ่มมีความสุขพอจิตของเราตั้งมั่นเราก็มีความสุขมากขึ้นไปอีก จิตของเราเกิดปัญญามีความสุขจิตของเราเกิดวิมุตต์มีความสุขมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปยิ่งรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจก็ยิ่งมีความสุขยิ่งเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจมากขึ้นเท่าไรเท่าไหร่จิตใจยิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นบางคนบอกว่าศาสนาพุทธมองโลกในแง่ร้ายสอนแต่เรื่องทุกข์พวกนี้พิจารณ์ส่งเดชพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่เรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์ ท่านสอนทั้งสองด้านยามาโมเมว่าศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายนะสอนแต่เรื่องความทุกข์อันนั้นเข้าใจผิดแล้วท่านสอนให้รู้ทุกข์ยิ่งรู้ทุกข์เท่าไหร่ก็ยิ่งพ้นทุกข์เท่านั้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆจุดหมายปลายทางของศาสนาพุทธที่เราจะไปถึงคือนิพพานนิพพานเป็นบรมสุขเพราะท่านสอนเราเพื่อไปถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยความสุขซึ่งเหนือขันตราบใดที่ยังมีขันอยู่ยังครองขันอยู่ยังรักษาขันอยู่ ยังมีภาราแบกหามขันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเสมอยังมีกายเราก็ยึดในกายพอกายแก่กายเจ็บกายตายเราก็ทุกข์แล้วมีจิตใจเราก็อยากให้มันมีแต่ความสุขตลอดเวลาพอความสุขลดน้อยถอยลงก็กลุ่มใจแล้วหรือจิตใจเราไปเห็นอะไรที่ไม่ดีไม่งามเรายึดถือในความคิดความเห็นของเราเราก็ทุกข์แล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยจิตใจและร่างกายนี่แหละ มันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยเป็นตัวทุกข์ด้วยสองอันนี้ไม่เหมือนกันเมื่อพวกเราเริ่มปฏิบัติเราจะเห็นได้แค่ว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์เราเห็นได้แค่นี้ยังไม่เรียกว่ารู้แจ้งทุกข์ร่างกายจิตใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์ก็จริงอยู่แต่มีอีกในยะหนึ่งตัวร่างกายจิตใจนั่นแหละคือตัวทุกข์ตัวนี้ถ้าไม่ใช่พระอริยบุคคลจะเห็นไม่ได้เลยเพราะอริยศาสตร์คือสัจจะของพระอริยะเท่านั้น ปุถุชนไม่เห็นอริยสัจหรอกฉะนั้นพระโสดาบันก็เห็นอริยสัจบางอย่างบางส่วนความรู้ความเข้าใจก็ส่วนหนึ่งพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไปพระอรหันต์ก็เข้าใจแจม่มแจ้งในกองทุกแต่ไม่ได้แตกฉานทุกๆองค์ แล้วถ้ายิ่งจะไปเทียบกับพระสาวกครั้งพุทธการที่ท่านได้ปฏิสัมพิธายานแล้วเทียบไม่ได้บารมีไม่ถึงกันยิ่งเทียบกับพระปัญญาตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าเทียบกันไม่ได้เลยขนาดว่าเป็นพระอาหารหันต์รุ่นหลังๆ ล, ลงมานี่บุญบารมีก็ไม่ได้แก่รอบเท่ารุ่นก่อนๆอนยังมากก็มีความรู้ 30-40 เอร์ซเท่านั้นเราค่อยเรียนนะค่อยๆศึกษาไปวันหนึ่งจะเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นทุกข์ ถ้าเห็นว่ากายเป็นที่ตั้งของความทุกข์ากายไม่ใช่ตัวทุกข์แต่ความทุกข์แอบมาอยู่ในร่างกายอันนั้นไปเข้าใจผิดอันนั้นเขาเรียกว่าทุกขเวทนาหรือเราว่าจิตไม่ใช่ตัวทุกข์แต่ความทุกข์มาแอบอยู่ในจิตอันนั้นเขาเรียกว่าโทมณสเวทนาเป็นแค่เวทนาเท่านั้นท่านบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เรามีปัญญาเห็นแค่ว่าเวทนาเป็นทุกข์ใช่ไหมเห็นนิดเดียวเองแต่เวทนาบางอย่างเป็นสุขเวทนาบางอย่างเป็นอุเบกขา ไม่ทุกเสียอีกแล้วเห็นไหมที่ว่าเห็นอยู่ขันเดียวว่าเป็นทุกข์น่ะก็ไม่ได้เห็นทั้งขันอีกเห็นนิดเดียวในขันแต่เห็นทุกขเวทนาทางกายกับโทมณ์นเวทนาทางใจคือทุกกายทุกใจนั่นเองทางอภิธรรมเขาจะแยกสับออกไปพอได้ยินว่าโทมณ์นเวทนานี่เขาไม่ต้องมานิยามแล้วว่านี่เป็นความทุกข์ทางใจฟังแล้วรู้กันว่านี่หมายถึงทุกข์ทางใจถ้าทุกข์ทางกายเขาเรียกทุกขเวทนา ถ้าทางพระสูตรเขาเรียกรวมๆกันว่าเป็นทุกขเวทนาเรียกแบบไม่แยกแยะมากฉะนั้นเรารู้นิดเดียวนะทุกวันนี้ก็รู้นิดเดียวที่ว่ารู้ธรรมะเยอะแตกฉานพูดได้คล่องแคล่วนะ่ะจำเขามาพูดหรือไม่ก็คิดเอาเองไม่ใช่ของจริงต้องระมัดระวังมากเลยจำเขามานะ่ะจำผิดได้เสมอเลยหรือคิดเอาเองนี่คิดผิดแน่ๆเลยเพราะว่าจิตของปุถุชนไม่สามารถรองรับสัทธธรรมแท้ๆได้จริงหรอก หลวงปู่มั่นถึงสอนนะว่าจิตของปู่ทุชนนี่นะพอรองรับธรรมะลงไปพอธรรมะเข้าไปสู่จิตของปูุ่ชนจะกลายเป็นสัทธธรรมปฏิรูปไปหมดเลยอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นทุกขเราก็จะเริ่มพูดแล้วเออร่างกายนี่ทุกบ้างสุขบ้างเห็นไหมมันไม่เที่ยงมันไปคนละเรื่องเลยกับที่ท่านสอนไอ้ทุกบ้างสุขบ้างนั่นมันทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนามันไม่ใช่เรื่องขันเป็นทุกข์ มันคนละเรื่องกันไม่ได้ครอบคลุมเลยรู้นิดเดียว